ปฏิสัมปทาสูตรว่าด้วยวิบัิและสัมปทาภิกษุทั้งหลายวิบัสสามประการนี้วิบัสสามประการอะไรบ้างคือหนึ่งสีลวิบัิความวิบัิแห่งศีลสองจิตวิบัิความวิบัิแห่งจิตสามทิฏฐิวิบัิความวิบัิแห่งทิฏฐิสีลวิบัิเป็นอย่างไร คือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดเท็จผู้ส่อเสียดพูดคัมยาพูดเพ้อเจอ้านี้เรียกว่าศีลวิบัติจิตวิบัติเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นมิจฉาทิฐิเห็นผิดมีจิตพยาบาทนี้เรียกว่าจิตวิบัติทิฐิวิบัติเป็นอย่างไร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 สมณะพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทําให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกนี้เรียกว่าทิฏฐิวิบัติเพราะศีลวิบัติเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะจิตตวิบัติเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุกคติวินิบาตนรก หรือเพราะทิฏฐิวิบัติเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกุกภิกษุทั้งหลายวิบัติ3สมประการนี้แหลสัมปทาสามประการนี้สัมปทาสามประการอะไรบ้างคือ 1. ศีลละสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีล 2. จิตแสัมปทาความถึงพร้อมด้วยจิต 3. ทิฏฐิสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิศีนและสัมปทาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในการมการพูดเท็จการพูดส่อเสียดการพูดคําหยาบและการพูดเพ้อเจอ้อนี้เรียกว่าศีลสัมปทาจิตสัมปทาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาไม่มีจิตพยาบาท นี้เรียกว่าจิตสัมปทาทิฏฐิสัมปทาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเห็นชอบมีความเห็นไม่วิปริตว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการเส้นสวงมีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำไว้ดีและชั่วมีโลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีคุณบิดามีคุณ โอปปาติกะสัต์มีสมณะพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งมีอยู่ในโลกนี้เรียกว่าทิฏฐิสัมปทาเพราะสีละสัมปทาเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะจิตตสัมปทาเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้ว จึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หรือเพราะทิฏฐิสัมปทาเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายสัมปทาสามประการนี้แหละวิปัติสัมปทาสูตรที่หจบ นกะสูตรว่าด้วยข้อปฏิบัติไม่ผิดภิกษุทั้งหลายวิปัสสานประการนี้วิปัสสานประการอะไรบ้างคือ 1. ศีลวิบัติความวิบัติแห่งศีล 2. จิตาวิบัติความวิบัติแห่งจิต 3. ทิฏฐิวิบัติความวิบัติแห่งทิฏฐิศีลวิบัติเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ ละถึงพูดเพ้อเจอนี้เรียกว่าศีลลวิบัติจิตวิบัติเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เพ่งเล็งอยากได้ของเขามีจิตพยาบาทนี้เรียกว่าจิตวิบัติทิฏฐิวิบัติเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลละถึง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 สัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกภิกษุทั้งหลายเพราะศีลวิบัติเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกเปรียบเหมือนแก้วมณีหกเหลี่ยมถูกโยนขึ้นสูงก็กลับลงมาตั้งอยู่ด้วยดีตามปกติฉะนั้นภิกษุทั้งหลายวิบัติสามประการ น, นี้แหลสัมปธาสามประการ น, นี้ สัมปทาสามประการอะไรบ้างคือ 1. ศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีล 2. จิตตสัมปทาความถึงพร้อมด้วยจิต 3. ทิฏฐิสัมปทาความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิศีสลสัมปทาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ละถึงการพูดเพ้อเจ้อนี้เรียกว่าศีลสัมปทา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 ทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งมีอยู่ในโลกนี้เรียกว่าทิฏฐิสัมปทาเพราะศีลสัมปทาเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะจิตตสัมปทาเป็นเหตุละถึงหรือเพราะทิฏฐิสัมปทาเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ภิกษุทั้งหลายเพราะศีลสัมปทาเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เปรียบเหมือนแก้วมณีหกเหลี่ยมถูกโยนขึ้นสูงก็กลับลงมาตั้งอยู่ด้วยดีตามปกติฉะนั้นภิกษุทั้งหลายสัมปทาสามประการนี้แลอปันนกะสูที่หกจบ กรรมันตสูตรว่าด้วยความวิบัติแห่งการงานภิกษุทั้งหลายวิปัสสานประการนี้วิปัสสานประการอะไรบ้างคือ 1. กรรมันตวิบัติความวิบัติแห่งการงาน 2. อาชีววิบัติความวิบัติแห่งอาชีพ 3. ทิฐิวิบัติความวิบัติแห่งทิฐิกรรมันตวิบัติเป็นอย่างไร คือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ละถึงพูดเพ้อเจรินี้เรียกว่ากรรมมันตะวิบัติอาชีววิบัติเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีอาชีพผิดเลี้ยงชีพด้วยมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพผิดนี้เรียกว่าอาชีวะวิบัติทิฏฐิวิบัติเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ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 สัมปทาสามประการอะไรบ้างคือ 1. กรรมมันตะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการงาน 2. อาชีวะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยอาชีพ 3. ทิฏฐิสัมปทาความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิกรรมมนตะสัมปทาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ละถึงการพูดเพ้อเจ้อนี้เรียกว่า กรรมันตะสัมปทาอาชีวะสัมปทาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีอาชีพชอบเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบนี้เรียกว่าอาชีวะสัมปทาทิฏฐิสัมปทาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นไม่วิปริตว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผล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 กทมมะโสเจยสูตรว่าด้วยความสะอาดสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายความสะอาดสามประการนี้ความสะอาดสามประการอะไรบ้างคือ 1. ความสะอาดกาย 2. ความสะอาดวาจา 3. ความสะอาดใจความสะอาดกายเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกามนี้เรียกว่าความสะอาดกายความสะอาดวาจาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เว้นขาดจากการพูดเท็จการพูดส่อเสียดการพูดคำหยาบการพูดเพ้อเจอ้อนี้เรียกว่าความสะอาดวาจาความสะอาดใจเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้โลกมากมีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิ นี้เรียกว่าความสะอาดใจภิกษุทั้งหลายความสะอาดสามประการ น, นี้แลพระธมมะโสเจยสูตรที่8จบ 9. ทุติยโสเจยสูตรว่าด้วย ความสะอาดสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายความสะอาด3ประการนี้ความสะอาด3ามประการอะไรบ้างคือ 1. ความสะอาดกาย 2. ความสะอาดวาจา 3. ความสะอาดใจความสะอาดกายเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติไม่ประเสริฐนี้เรียกว่า ความสะอาดกายความสะอาดวาจาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดจากการพูดเท็จการพูดส่อเสียดการพูดคำหยาบการพูดเพ้อเจอ้อนี้เรียกว่าความสะอาดวาจาความสะอาดใจเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดกามชันทะความพอใจในกามที่มีในภายในว่า การมชฉันทะมีในภายในของเราหรือรู้ชัดกามชฉันทะที่ไม่มีในภายในว่าการมาฉันทะไม่มีในภายในของเรารู้ชัดถึงการเกิดขึ้นแห่งการมชฉันทะที่ยังไม่เกิดขึ้นรู้ชัดถึงการละการมาฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วและรู้ชัดถึงการไม่เกิดขึ้นต่อไปของการมชฉันทะที่ละได้แล้วรู้ชัดพยาบาทความคิดร้ายที่มีในภายในว่า พยาบาทม <chop cuts S 1> ีในภายในของเราหรือรู้ชัดพยาบาทที่ไม่มีในภายในก็รู้ชัดว่าพยาบาทไม่มีในภายในของเรารู้ชัดถึงการเกิดขึ้นแห่งพยาบาทที่ยังไม่เกิดขึ้นรู้ชัดถึงการละพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วและรู้ชัดถึงการไม่เกิดขึ้นต่อไปแห่งพยาบาทที่ละได้แล้วรู้ชัดทีนมิทะความหดหู่และเสื่อซึมที่มีในภายในว่า ทีนามิทะมีในภายในของเราหรือรู้ชัด <t> ท <akers> ีนามิทะไม่มีในภายในว่าท <lar> <ans un> ีนามิทะไม่มีในภายในของเรารู้ชัดถึงการเกิดขึ้นแห่งทีนัมิทะที่ยังไม่เกิดขึ้นรู้ชัดถึงการละทีนัมิทะที่เกิดขึ้นแล้วและรู้ชัดถึงการไม่เกิดขึ้นต่อไปแห่งทีนัมิทะที่ละได้แล้วรู้ชัดอุทจักกุกกุจัความฟุ้งซ่านและร้อนใจ ที่มีในภายในว่าอุทจักุกกุจมีในภายในของเราหรือรู้ชัดอุทจักุกขิจที่ไม่มีในภายในว่าอุทจักุกขิจไม่มีในภายในรู้ชัดถึงการเกิดขึ้นแห่งอุทจักุกขิจที่ยังไม่เกิดขึ้นรู้ชัดถึงการละอุทจักุกกุจที่เกิดขึ้นแล้วและรู้ชัดถึงการไม่เกิดขึ้นต่อไปแห่งอุทจกุกขิจที่ละได้แล้ว รู้ชัดวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยมีในภายในว่าวิจิกิจฉามีในภายในของเราหรือรู้ชัดวิจิกิจฉาที่ไม่มีในภายในว่าวิจิกิจฉาไม่มีในภายในของเรารู้ชัดถึงการเกิดขึ้นแห่งวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดขึ้นรู้ชัดถึงการละวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วและรู้ชัดถึงการไม่เกิดขึ้นต่อไปแห่งวิจิกิจฉาที่ละได้แล้ว นี้เรียกว่าความสะอาดใจภิกษุทั้งหลายความสะอาดสามประการนี้แหลผู้มีกายสะอาดมีวาจาสะอาดมีใจสะอาดไม่มีอาสวะเป็นผู้สะอาดถึงพร้อมด้วยความสะอาดบัณฑิตทั้งหลายเรียกว่าเป็นผู้ล้างบาปได้แล้วทุติยโสเจยสูที่เก้าจบ โมเนยสูตรว่าด้วยความเป็นมุนีภิกษุทั้งหลายความเป็นมุนีสามประการนี้ความเป็นมุนีสามประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นมุนีทางกาย 2. ความเป็นมุนีทางวาจา 3. ความเป็นมุนีทางใจความเป็นมุนีทางกายเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว การลักทรัพย์การประพฤติไม่ประเสริฐนี้เรียกว่าความเป็นมุนีทางกายความเป็นมุนีทางวาจาเป็นอย่างไรเคอภิกษุในธรรมวินัยนี้เว้นขาจากการพูดเท็จการพูดส่อเสียดการพูดคำหยาบการพูดเพ้อเจ้อนี้เรียกว่าความเป็นมุนีทางวาจาความเป็นมุนีทางใจเป็นอย่างไรเคอภิกษุในธรรมวินัยนี้ ทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้เรียกว่าความเป็นมุนีทางใจภิกษุทั้งหลายความเป็นมุนีสามประการนี้แหลผู้ที่เป็นมุนีทางกายเป็นมุนีทางวาจาเป็นมุนีทางใจไม่มีอาสวะเป็นมุนีถึงพร้อมด้วยความเป็นมุนีบัณฑิตทั้งหลายเรียกว่า เป็นผู้ละได้ทุกอย่างโมเนยสูตรที่10จบอาปายิกวักที่สองจบรวมพระสูตรที่มีในวรนี้คือ 1. อาปายกิกสูตร 2. ทุลภะสูตร 3. อาปเมยสูตร 4. อาเนชสูตร 5. วิปัติสัมปทาสูตร 6. อาป น, นกสูตร7 กัมมันตะสูตร 8. ปดฐมมโสเจยสูตร 9. ทุติยะโสเจยสูตร 10. โมนยสูตร 3. อกุสินารวบหมวดว่าด้วยกรุงกุสินารา หกุสินารสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่กรุงกุสินาราสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณราวป่าชื่อพลิหรณะเขตกรุงกุสินาราณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระตํารัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงด้วยตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยหมู่บ้านหรือตำบลแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ขหาพดีหรือบุตรของขหาพดีเข้าไปหาภิกษุนั้นนิมนต์ฉันในวันรุ่งขึ้นภิกษุเมื่อประสงค์ก็รับนิมนต์ภิกษุนั้นพอล่วงราตรีนั้นไปเวลาเช้าพรองอันตรวาสก ถือบาดจีวรเข้าไปยังนิเวศของข้าบดีหรือบุตรของข้าบดีนั่งบนอาสนะที่เขาปูไว้ข้าบดีหรือบุตรของข้าบดีนั้นถวายอาหารให้ภิกษุนั้นอิ่มน้ําด้วยของเคี้ยวของฉันที่ประณีดด้วยมือตนเองภิกษุนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าดีจริงข้าบดีหรือบุตรของข้าบดีนี้ ถวายอาหารให้เราอิ่มน้ำด้วยของเคี้ยวของฉันที่ปราณีต ด, ด้วยมือตนเองเธอยังมีความคิดอย่างนี้อีกว่าโอ๋หนอพระบดีหรือบุตรของข้าบดีนี้พึงถวายอาหารให้เราอิ่มน้ำด้วยของเคี้ยวของฉันที่ปราณีตอย่างนี้ด้วยมือตนเองแม้ต่อต่อไปเธอติดใจลุ่มหลงหมกมุ่นมองไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออก ฉันบินทบาทนั้นเธอตรึกถึงกามวิตกความตรึกในทางกา ร, รบ้างตรึกถึงพยาบาทวิตกความตรึกในทางพยาบาทบ้างตรึกถึงวิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียนบ้างภิกสุทั้งหลายบินทบาต ท, ที่ถวายแก่ภิกสุเช่นนี้เราไม่กล่าวว่ามีผลมากเพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะพิสุเป็นผู้ประมาทอยู่ ส่วนภิกษุในธรรมวิไนนี้เข้าไปอาศัยบ้านหรือตำบลแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ขหบดีหรือบุตรของข้าบดีเข้าไปหาภิกษุนั้นนิมนต์ฉันในวันรุ่งขึ้นภิกษุเมื่อประสงค์ก็รับนิมนต์ภิกษุนั้นพอล่วงราตรีนั้นไปเวลาเช้าครองอันตรวาสกถือบาดจีวอนเข้าไปยังนิเวศ ข, ของข้าบดีหรือบุตรของข้าบดีนั้นนั่งบนอาสนะที่เขาปูไว ขหบดีหรือบุตรของข้าบดีนั้นถวายอาหารให้ภิกษุนั้นอิ่มน้ำด้วยของเคี้ยวของฉันที่ปราณี ด, ด้วยมือตอนเองภิกษุนั้นไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าดีจริงขหบดีหรือบุตรของข้าบดี น, น, นี้ถวายอาหารให้เราอิ่มน้ำด้วยของเคี้ยวของฉันที่ปราณี ด, ด้วยมือตอนเองและเธอไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ๋เนอ ข้าบดีหรือบุตรของข้าบดีนี้พึงถวายอาหารให้เราอิ่มน้ำด้วยของเคี้ยวของฉันที่ปราณีด้วยมือตอนเองแม้ต่อต่อไปเธอไม่ติดใจไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นมองเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกฉันบินทบาทนั้นเธอตรึกถึงเนคขมะวิตกความตรึกปลอดจากกามบ้างตรึกถึงอพยาบาทวิตกความตรึกปลอดจากพยาบาทบ้าง ตรึกถึงอวิหิงสาวิตกความตรึกปลอดจากการเบียดเบียนบ้างภิกษุทั้งหลายบินทบา ท, ที่ถวายแก่ภิกษุเช่นนี้เราเรียกว่ามีผลมากข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่คุูสนารสูตรที่หนึ่งจบ สพันธะสูตรว่าด้วยเหตุแห่งความบาดหมางภิกษุทั้งหลายในทิศใดภิกษุทั้งหลายเกิดความบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิมแทงกันอยู่ทิศนี้แม้เพียงคิดก็ไม่เป็นที่สำราญแก่เราไม่จำเป็นต้องพูดถึงการไปในเรื่องนี้เราสนิษฐานได้ว่าท่านเหล่านั้นได้ละธรรมสามประการ คลุกคลีอยู่กับทำสามประการอย่างแน่นอนท่านเหล่านั้นได้ละทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. นึ่งเนคขมวิตกความตรึกปลอดจากกามสองอภยาบาตรวิตกความตรึกปลอดจากพยาบาศสาอวิหิงสาวิตกความตรึกปลอดจากการเบียดเบียนท่านเหล่านั้นได้ละทำสามประการนี้ ท่านเหล่านั้นคลุกคลีอยู่กับทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. กามวิตกความตรึกในทางการม 2. พยาบาทวิตกความตรึกในทางพยาบาท 3. วิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียนท่านเหล่านั้นคลุกคลีอยู่กับทำสามประการนี้ภิกษุทั้งหลายในทิศใดภิกษุทั้งหลายเกิดความบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกัน ใช้คอคือปากทิมแทงกันอยู่ทิศนี้แม้เพียงคิดก็ไม่เป็นที่สำราญแก่เราไม่จำเป็นต้องพูดถึงการไปในเรื่องนี้เราสันนิษฐานได้ว่าท่านเหล่านั้นได้ละทำสามประการคลุกคลีอยู่กับทำสามประการอย่างแน่นอนในทิศใดภิกษุทั้งหลายพร้อมเพรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาดกันเป็นเหมือนน้านมกับน้า มองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่ทิดนี้แม้ไปเยือนก็เป็นที่สำราญแก่เราไม่จำเป็นต้องพูดถึงการคิดในเรื่องนี้เราสนิฐานได้ว่าท่านเหล่านั้นได้ละทำสามประการคลุกคลีอยู่กับทำสามประการอย่างแน่นอนท่านเหล่านั้นได้ละทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. กามวิตก 2. พยาบาทวิตก 3. วิหิงสาวิตกท่านเหล่านั้นคลุกคลีอยู่กับธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. นเนกขมวิตก 2. องอภยาบาตรวิตกาอาอวิหิงสาวิตกท่านเหล่านั้นคลุกคลีอยู่กับธรรมสามประการนี้ในทิศใดภิกษุทั้งหลายพร้อมเพรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาดกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำ มองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่ทิดนี้แม้ไปยืนก็เป็นที่สำราญแก่เราไม่จำเป็นต้องพูดถึงการคิดในเรื่องนี้เราสันนิษฐานได้ว่าท่านเหล่านั้นได้ละทรสารประการนี้คลุกคลีอยู่กับทรสารประการนี้อย่างแน่นอนพันธะนสูตรที่สองจบ โคตมกะเจติยสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่โคตมกะเจดีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคตมกะเจดีเขโครงเวสาลีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า ภิกษุทั้งหลายเรารู้ยิ่งแล้วจึงแสดงธรรมไม่รู้ยิ่งแล้วไม่แสดงธรรมเราแสดงธรรมมีเหตุไม่ใช่แสดงธรรมไม่มีเหตุเราแสดงธรรมมีปาติขานไม่ใช่แสดงธรรมไม่มีปาติขานเมื่อเรานั้นรู้ยิ่งแล้วจึงแสดงธรรมไม่รู้ยิ่งแล้วไม่แสดงธรรมแสดงธรรมมีเหตุไม่ใช่แสดงธรรมไม่มีเหตุแสดงธรรมมีปาติขานไม่ใช่แสดงธรรมไม่มีปติขาน เธอทั้งหลายควรทําตามคำสั่งสอนควรทําตามคำพร่ำสอนก็แลเธอทั้งหลายควรที่จะยินดีควรที่จะชื่นชมควรที่จะสมนัดว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดี ต่างชื่นชมพาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเวยากรณภพาสิทธินี้อยู่สหสีโลกธาตได้วันไว้สั่นสะเทือนแล้วโคตม ก, กะเจติยสูตรที่สมจบ